ท่อนพระครูฉันพัตฒหารเช้าเสร็จแล้วนายขุนทองกับนายสมชายก็ช่วยกันยกสำรับกับข้าวลงมารับประทานกันที่กุฏิชั้นล่างขณะกำลังทานกันอยู่เด็กส่งหนังสือพิมพ์ก็นำหนังสือพิมพ์รายวันมาส่งให้นายสมชายเห็นหัวข้อข่าวและภาพในหน้านหนึ่งแล้วก็มีอันทันข้าวไม่ลงยิงอาจารย์นักเรี น, นอกดับคาเก๋ง ภาพสตรีวัยส0ที่นอนพับขาพวงมาลัยข้างล่างมีภาพถ่ายเล็กๆเพื่อให้เห็นหน้าชัดเจนบอกชื่อและนามสกุลไว้ชัดแจ้งเขาอ่านข่าวนั้นแล้วถือหนังสือพิมพ์วิ่งขึ้นไปหาท่านพระครูหลุงพ่อครับคุณนายราศีถูกยิงตายเสยแล้วหรอครับพูดพร้อมกับส่งหนังสือพิมพ์รายวันฉบับประจำวันที่16กุมภาพันธ์ให้ไม่ต้องหรอกสมชาย ฉันรู้แล้วถูกยิงตอนสองทุ่มเมื่อคืนนี้ใช่ไหมละ่ะเขาบอกฉันเมื่อคืนก่อนที่แกว่ามาลาตายนั้นมันก็เรื่องจริงสิครับหลวงพ่อผมนึกว่าแกพี้นซะอีกและแกรู้ไหมครับว่าใครยิงเพราะในข่าวยังไม่รู้ตัวคนยิงรู้สิฉันก็รู้ทำไมแกไม่ไปแจ้งความไว้ก่อนล่ะครับ และหลวงพอ่อจะไปให้เขากับหนังสือพิมพ์หรือเปล่าครับลูกคุณช่างซักถามอย่างอยากรู้ก็คนถูกยิงแท้ๆเขายังไม่ยอมแจ้งแล้วฉันจะไปวุ่นวายทำไมมันเป็นเรื่องของกรรมหนะสมชายไปลงไปทำงานต่อได้แล้วเอาหนังสือพิมพ์ลงไปด้วยฉันไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ ที่ต้องรับทุกวันก็เพื่อเอาไว้ให้พวกเธอและแขกอ่านเมื่อท่านไม่สนใจไม่ตื่นเต้นกับข่าวนั้นนายสมชายจึงลงมาวิภาควิจารณ์กับนายขุนทองที่กุฏิชั้นล่างมีอะไรตื่นเต้นหรือพี่ถึงต้องวิ่งขึ้นไปหาหลวงลงุงนายขุนทองถามตัวเขาก็อยากรู้ทว่าห่วงกินมากกว่ากินกับนอนต้องมาก่อนเสมอ แล้วจะกินข้าวต่อไหมเนี่ยไม่กินหนูจะได้เก็บอยากเก็บก็เก็บได้เลยข้ากินไม่ลงแล้วนี่เองดูผู้หญิงคนนี้สิเขามาบอกหลวงพ่อเมื่อคืนก่อนว่าจะถูกยิงตายแล้วเขาก็ถูกยิงตายจริงๆตายเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มอ้ามาหาลุงลุงแล้วทำไมหนูไม่เห็นละ่ะก็เองเอาแต่นอนจะรู้นะรู้โม อ, อะไรเขามาตอนเองหลับปุ๋ยไปแล้วนะ ลูกศิษย์วัดแถลงขายแล้วพี่ให้เขาพบหลุงลุงหรือเปล่าละเมิดกฎอีกตามเคยละสิคนเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ว่าถึงไม่ให้พบเขาก็ต้องไปพบจนได้เลยนะ่ะหลวงพ่อบอกว่าเข้ามาแบบเจตพูดคนมากไวกว่าอธิบายอีกแล้วเหรอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคนแก่คนหนึ่งมาแบบเดียวกันนี้หลวงลุงก็บอกว่าเป็นเจตพูดเหมือนกัน งั้นหรือแล้วทำไมข้าไม่เห็นละ่ะนายสมชายเป็นฝ่ายถามบ้างนายขุนทองได้โอกาสแก้แค้นจึงว่าก็พี่โมไปจีบสาวสนดสิตอนพี่กลับมานะ่ะแกไปแล้วอุาสตร์เดินตามจะไปต่อว่าที่แกละเมิดกฎปรากฏว่าตามแกไม่ทันตอนหลังถึงได้รู้ว่าแกมาแบบเจตพูดหลว ง, ลงเป็นคนบอกแล้วเอ็งว่ามันประหลาดไหมละ่ะ ที่วิญญาณออกจากร่างได้ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ตายขาดนึกว่าต้องตายเสียก่อนถึงจะออกได้ที่วัดนี้มีอะไรแปลกๆนะไม่รู้วัดอื่นก็เป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าพี่ก็ลองไปอยู่วัดอื่นดูสิไม่งั้นก็ไม่รู้อ๋อนี่คิดจะไล่ข้าเหรอแล้วเอ็งขับรถให้หลวงพ่อได้วะงั้นเถอะลูกศิษย์วัดคิดไปอีกทางเปล่านี่ก็พี่อยากรู้ก็ต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้ หนูไม่ได้คิดจะไล่พี่เลยให้ตายสิพี่ไปแล้วใครจะมาเป็นคู่ทุกข์คู่ยากของหนูนายขุนทองพูดเสียงอ่อนเสียงหวานแต่ข้าอยากรู้โดยไม่ต้องลองนี่นานายสมชายว่าถ้าอย่างนั้นหนูก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงหรือพี่ว่าหนูควรจะแนะนำพี่ยังไงก็กรุณาแนะนำหนูด้วยนึกว่าเอาบุญธนาพินานี่หยุด หยุดได้แล้วขุนทองเอ็งยิยบพูดก็ยิ่งวากวนจนข้าชักจะเวียนหัวแล้วนะนายสมชายพูดอย่างอดรนทนไม่ได้เวียนหัวเหรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวหนูจ ะ, ปะไปละลายยาลมมาให้ยังไม่ทันที่นายสมชายจะออกปากห้ามนายขุนทองก็หายเข้าไปในห้องครู่หนึ่งก็ยกถ้วยยาลมออกมาส่งให้ลูกศิษย์วัดเอา้าดื่มซะ จะได้หายเวียนหัวนายสมชายไม่รับถ้วยยาหากใช้มือทั้งสองกลุ่มขมับพูดว่าคุณทองข้าขอร้องเถอะนะเอ็งอย่ายก่ข้าเลยไปเก็บสำรับไปล้างแล้วกวาดกุฏิให้เรียบร้อยส่วนข้าจะไปล้างรถพรุ่งนี้หลวงพ่อจะไปจันทบุรีแต่เช้ามืดให้หนูไปคนด้วมาเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปขออนุญาตหลวงลุ ง, ลงนายคุณทองว่าพราะอยากไปเปิดหูเปิดตากับเขาบ้าง คงไม่ได้มั้งเองต้องอยู่ดูแลเรื่องงานศพพรุ่งนี้จะมีคนเอาศพมาสวดอภิธรรมตอนทุ่งเขา้าหมายถึงศพเจนวนสีศพใครแล้วทำไมพี่ถึงรูล้ล่ะก็เมื่อวันก่อนข้าไปเยี่ยมเขาเขาบอกพรุ่งนี้ตอนตีสี่สิบนาทีเขาจะตายตอนเย็นจะให้ลูกหลานเอาศพมาไว้ที่นี่ใครเนาะดูรู้จักไหม ป้าโนนสีที่ขายอาหารอยู่ในตัวจังหวัดน่ะดูเหมือนจะชื่อร้านเนยโพชนาะข้าไม่รู้หรอกว่าเอ็งรู้จักเขาหรือเปล่าอ๋อเหรอเอ๋หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูรู้จักหรือเปล่านายขุนทองล้อเลียนนี่พอทีพอทีข้าขอถามอะไรสักอย่างเถอะคุณทองพี่จะถามอะไรก็ถามมนเลยข้าอยากถามว่าเอ็งเคยไหม ที่อยู่ดีๆก็ฟันร่วงสองซีน่ะเคยไหมอุย้ยถามบัดเสียวไม่เคยหลอกหอเคยแต่ทำให้ฟันคนอื่นร่วงน่ะพี่จะลองไหมลองไหมานายสมชายไม่ตอบหากเดินไปที่โรงรถเพื่อทำหน้าที่คืนคุยกับเจ้าหนุ่มที่ชื่อขุนทองนานกว่านี้อาจจะยั้งโทสะไม่ไหวก็มันกวนโทสะเสียเหลือเกินเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็น วันที่17กุมภาพันธ์2517ท่านพระครูออกจากวัดป่ามะม่วงตั้งแต่ตีสี่เข้ามาในรถแล้วก็นั่งหลับตาทันทีนายสมชายรู้สึกเหงาปากเพราะไม่มีคนคุยด้วยก็ ข, ขับรถอย่างตั้งใจหากขับไปได้ชั่วโมงเศษก็รู้สึกง่วงเพราะเมื่อคืนกลับจากบ้านเหนือดึกไปหน่อยชายหนุ่มชะลอความเร็วลง ใช้ฟันขบริมฝีปากล่างจนรู้สึกเจ็บหากก็ยังไม่หายง่วงรถกำลังวิ่งอยู่บนถนนสายเอเชียใกล้ปากทางที่จะแยกเข้าถนนพหลโยธินคิดจะขออนุญาตจอดรถงีบซักประเดียวก็พอดีกับท่านพระครูพูดขึ้นว่าเข้าพหลโยธินแล้วจอดข้างทางอนุญาตให้หลับสิบนาที ชายหนุ่มปฏิบัติตามอย่างแสนจะยินดีเวลาง่วงแล้วไม่ได้นอนนั้นมันทรมานอย่าบอกใครท่านพระครูก็ช่างรู้ใจหาใครเหมือนแสนดีมีเมตตาอย่างนี้สมชายขอรับใช้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยแหละครับหลวงพ่อเขาแอ บ, บขอบคุณในใจครั้นจะพูดออกมาก็กลัวจะหายง่วงก็ในเมื่อท่านอนุญาตให้งีบ มาหายง่วงเซ็กก็หมดสนุกกันเข้าถนนพอหนโยทินแล้วนายสมชายก็แอ บ, บรถไว้ข้างทางเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้แล้วเอนกายพิงพนักเก้าอีหลับปุ๋ยไปในทันทีเขาไม่ห่วงว่าจะหลับเกินเวลาที่กำหนดเพราะเมื่อถึงเวลาท่านพระครูก็จะปลุกเองโดยที่ท่านไม่ต้องดูนาฬิกาท่านเคยพูดให้เขาฟังบ่อยๆว่า ผู้ที่ฝึกสติไว้ดีแล้วสามารถใช้สติแทนนาฬิกาปลุกได้รถวิ่งเข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเมื่อเวลาก้านาฬิกา40นาทีหากไม่เสียเวลาจอดข้างทางก็จะถึงก้าโมงครึ่งพอดิบพอดีตามที่ท่านพระครูกำหนดไว้สมชายเดี๋ยวแวะที่ร้านอาหารข้างหน้านั่นหิวหรื อ, อยัง ถามอย่างอาทรนิดหน่อยครับเดี๋ยวนิมนต์หลวงพ่อฉันกาแฟสักถ้วยของท่านนะครับทันแน่นอนอีกสักห้านาทีก็ถึงแล้วต้องไปถึงให้ตรงเวลาเร็วไปช้าไปเจ้าภาพเขาจะอึดอัดเป็นกังวลท่านสอนลูกศิษย์วัดไปในตัวนายสมชายจอดรถหน้าร้านข้ามันไก่ซึ่งมีรถยนต์จอดอยู่หลายคัน แล้วจึงลงมาเปิดประตูให้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจากนั้นจึงเดินตามท่านเข้าไปในร้านซึ่งมีโต๊ะว่างอยู่เพียงโต๊ะเดียวเท่าแก่เจ้าของร้านกุลีกุ จ, จอเข้ามาต้อนรับนิมน์ครับเขาพูดไทยชัดเจนแม้สำเนียงจะออกไปทางคนจันนายสมชายต้องแยกไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งมีลูกค้านั่งรับประทานอยู่ เพราะจะนั่งรวมกับท่านพระครูไม่ได้เท่าแก่ขอกาแฟถวายหลวงพ่อส่วนของผมขอขามันไก่เขาเดินมาบอกเท่าแก่แล้วกลับไปนั่งที่เดิมเจ้าของร้านเรียกลูกจ้างมาสั่งอีกทีหนึ่งตัวเขายืนอย่างสำรวมอยู่ตรงหน้าท่านพระครูหลวงพ่อมาจากไหนหรือครับเขาถามอาตมามาจากวัดป่ามอมม่วง จังหวัดสิงห์บุรีเท่าแก่รู้จักวัดนี้หรือเปล่าเคยได้ยินชื่อไหมไม่รู้จักครับแต่เคยได้ยินชื่อเห็นเขาว่าเจ้าอาวาสวัดนี้ดูหมอแม่นมากเจ้าของร้านพูดตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างได้ยินมาว่านอกจากดูหมอแม่นแล้วท่านยังให้หวยเก่งด้วยอาตมาไม่เคยให้หวยใคร ส่วนเรื่องหมอดูก็เคยมาบ้างสมัยที่มีกระจกหมอดูแต่ก็ได้โยนทิ้งน้ำไปร่วม2ี่สิปีแล้วท่านตอบตามจริงหรือครับแม้ผมนึกว่าจะได้เลขซักตัวสองตัวเจ้าของร้านรู้สึกผิดหวังที่จริงเขารวยอยู่แล้วหากก็อยากรวยขึ้นไปอีกวิสัยของปู่ทุชนนั้นคำว่าพอ ย่อมไม่มีขยันทามาหากินก็รวยเองนั่นแหละก็มีรายได้ทุกวันไม่ใช่หรือครับแต่มันก็น้อยอยากได้ทีละมากๆนะครับหลวงพ่อคนมีนิสัยงกมาแต่กำเนิดว่ามากมันก็มาจากน้อยนายมนะโบราณเขาสอนว่าอย่านอนตื่นสาย อย่าอายทำกินอย่ามิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาอาตมาว่าเขามีเหตุผลนะคนโบราณนะ่ะพอดีกับลูกจ้างนำกาแฟมาให้เจ้าของร้านจึงรับมาประเคนด้วยตนเองเสร็จแล้วจึงขอตัวไปดูแลลูกค้าโต๊ะอื่นๆเพราะคิดว่าอย่างไรเสียคงไม่ได้เลขแน่ ในความรู้สึกของเขาหลวงพ่อองค์นี้ไม่น่าศรัทธาพระที่ดูหมอไม่เป็นให้หวยไม่ได้ใครจะไปศรัทธาเลื่อมใสเจ้าของร้านคิดออกจากร้านอาหารนายสมชายก็ขับรถตามแผนผังที่คุณนายโสพิษส่งผ่านมาทางท่านพระครูแล้วก็ไปถึงบ้านงานตรงเวลาคุณนายโสพิษออกมาต้อนรับถึงรถนิมนต์ค่ะหลวงพ่อ กำลังกลัวว่านายสมชายจะพาลุงพ่อหลงทางอยุดเที่ยวที่ไหนได้มาก่อนองค์อื่นเสียอีกคุณนายพูดอย่างยินดีนิมนต์ท่านเข้าไปนั่งอย่างอาสนะที่จัดเตรียมไวส้สำหรับพระสงฆ์ก้ารูปท่านพระครูเลือกนั่งเป็นลำดับที่สองเพราะทราบว่ามีท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งได้รับนิมนต์มางานเดียวกันเห็นหนอมีประโยชน์อย่างนี้ ท่านสังเกตการจัดอาสนะสงฆ์ที่เจ้าภาพจัดไว้เห็นว่าไม่ถูกต้องตามประเพณีนิยมพระพุทธรูปควรจะไว้ทางขวามือของพระสงฆ์ก็ไปอยู่ทางซ้ายมือครั้นมองไปทางขวาก็เห็นว่าเป็นห้องน้ำจึงเข้าใจเหตุผลและความจำเป็นที่เจ้าภาพต้องจัดพระพุทธรูปไว้ทางซ้ายมือประเดี๋ยวหนึ่งท่านเจ้าคุณกับพระสงฆ์อีกเจ็ดรูป ก็มาถึงสงเจดรูปนั่งต่อจากท่านส่วนท่านเจ้าคุณนั่งอาสนะที่ติดกับพระพุทธรูปซึ่งเป็นหัวแถวท่านพระครูทำความเคารพท่านเจ้าคุณด้วยการกราบสามครั้งรับไหว้แล้วผู้มาใหม่ก็เริ่มรายการตํานิเจ้าภาพด้วยเสียงที่ค่อนข้างดังว่าโยม ทำไมเอาพระพุทธรูปมาไว้ทางซ้ายมือของพระสงฆ์ทำไมไม่เอาไว้ขวามือโยมทำผิดรู้ไหมเจ้าค่ะคุณนายโสภิตรับผิดโดยไม่ได้แก้ตัวทีหน้าทีหลังอย่าได้ทำอย่างนี้อีกนะแขกไปใครมาอายเขาคนที่ไม่รู้ธรรมเนียมก็ไม่ว่าอะไรแต่คนที่รู้เขาจะตำหนิเอาท่านว่าอีกเจ้าค่ะ คุณนายเจ้าของบ้านรับผิดอีกอะไรเป็นถึงคุณนายในอำเภอทำไมไม่รู้จักขนมทมเนียมซะบ้างเลยคราวนี้คุณนายหน้าสลดลงนิดหนึ่งอธิบายช้าๆหากชัดถ้อยชัดคำว่าท่านเจ้าคุณเจ้าคะ่ะดีฉันพอจะรู้ทมเนียมเจ้าคะ่ะแต่ที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะเห็นว่าการเอาพระพุทธรูปไปตั้งติดกับห้องน้ามันไม่เหมาะ ดิฉันก็เลยต้องยอมผิดธรรมเนียมเจ้าค่ะฟังคาอธิบายของคนเป็นเจ้าภาพแล้วท่านเจ้าคุณถึงกับหน้าเสียคิดในใจว่าไม่น่าปากไวัยเช่นนี้เลยอายพระลูกวัดเจ็ดรูปนั้นก็อายไหนจะรูปที่ติดกับท่านนี่อีกเล่ามาจากวัดไหนก็ไม่รู้แต่ดูท่าทางจะเป็นพระผูธรนไสนมากกว่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง นั่งนิ่งดูเหตุการ์อยู่แล้วท่านก็ได้บทเรียนอีกบทหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปโรงเรียนบทเรียนนั้นสอนท่านว่าไปที่ไหนอย่าเอาปากไปก่อนขอให้ถือคติว่าตาดูหูฟังปากนิ่งจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าคนอื่นเขาทักทายปราัยกับเจ้าของบ้านพอสมควรแก่เวลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง9ก้ารูป กเริ่มเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นคุณนายโสพิทและญ า, ญาติิจึงช่วยกันถวายพัตนาฐารแด่พระสงฆ์ท่านพระครูเจริญคิดว่างานนี้หากท่านเพียงนั่งพิจารณาอาหารโดยไม่ฉันก็คงจะถูกท่านเจ้าขุนช่างเจรจารูปนี้ตาหนิติเตียนเอาเป็นแน่เผลอๆคุณนายโสพิทก็จะถูกเอ็ดอีกว่า ไปนิมนต์พระบ้าบ้าบาบาจากที่ไหนมาก็ไม่รู้ดังนั้นจึงฉันไปสองสาคำพอเป็นพิธีครั้นพระสงฆ์ฉันพัตหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณนายโสพิษจึงถวายจตุปปัจจัยททยธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งก้ารูปเมื่อพระสงฆ์ยถาสพีเธอจึงกรวดน้ำอุทิศกุศลไปให้ในอำเภอสิทธิศักดิ์สามีผู้ล่วงลับ ท่านพระครูเคยสอนไว้ว่ายะถาให้ผีสัพพีให้คนดังนั้นเมื่อพระขึ้นยะถาวาริวหาเธอจึงเริ่มรินน้ำลงในภาชนะกระทั่งท่านว่าถึงมณิโชติระโสยะถาแล้วประนมมือรับพรเมื่อท่านขึ้นสัพพีติโยวิวัันตุเมื่อพิธีทาบุญอายุครบห้ารอบของคุณนายโสพิษเสร็จสิ้นลง ท่านเจ้าคุณและพระลูกวัดอีกเจ็ดรูปจึงลากลับคุณนายโซพิษไปส่งท่านถึงรถคุณนายพระที่นั่งติดกับอัตมาเป็นใครกันท่านเจ้าคุณถามรู้สึกไม่ถูกชะตากับพระภูทรรูปนั้นคงเป็นพระภูทรแน่ๆก็ท่าทางเฉยๆออกอย่างนั้นแต่จะเป็นพระภูทรหรือพระนครบาลท่านก็รู้สึกไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็น ไม่ถูกชะตาเอามากๆคุณนายโสภิตไม่ตอบในทันทีเธอกําลังคิดหาคำตอบที่เหมาะสมดูเหมือนท่านเจ้าคุณจะมีจิตริสยาท่านพระครูอยู่ในใจตัวเธอเองนั้นเคารพนับถือท่านพระครูมากกว่าเพราะท่านเป็นพระปฏิบัติส่วนท่านเจ้าคุณนั้นเคยนับถือกันสมัยที่คุณสทธิศักดิ์ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่น่าลืมใสในจริยาวัดของท่านสักเท่าไหร่ ขนาดลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านยังมาแอบนินทาให้คุณนายฟังถึงสรรพคุณของเจ้าคุณรูปนี้ว่าเช้าเอนเพ้นนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดดึกซัดมามา่าตีห้าคิดดอกเบี้ยเขาบอกว่าท่านมีเงินเป็นล้านๆให้คนกู้ยิ่งกว่านั้นลูกศิษย์คนเดียวกันนี้ยังมาเล่าอีกจะจริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่ลูกศิษย์คนนั้น เขาเล่าให้คุณนายฟังว่าคุณนายครับผมนาแสนจะออึดอัดพูดไม่ออกบอกไม่ได้ครั้นจะไม่พูดไม่บอกมันก็อึดอัดแน่นอกผมขอบอกคุณนายคนเดียวก็แล้วกันรู้แล้วก็เหยียบสินะครับเหยียบให้แน่นๆเพราะถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูท่านเจ้าคุณเมื่อไหร่ผมต้องตายเมื่อนั้นตายอย่างเขียดเชียวนะครับเขาอารามพบทยืดยาวก่อนเล่า ว, ว่าคุณนายทราบไหมครับ ท่านเจ้าคุณท่านคุยว่าสามารถเข้านิโรสมาบัติได้ถึงเจ็วันนั้นความจริงเป็นอย่างไรเขายกมือท่วมศีรษะพร้อมกล่าวคำสาบานจ้าประคุณถ้าลูกช้างใส่ร้ายประสงค์องค์เจ้าขอให้ลูกช้างตายไปตกนรกเถิดแล้วจึงเล่าวิธีการเข้านิโรสมาบัติของท่านเจ้าคุณว่าท่านจะปิดกุฏิเจ็ดวันห้ามลูกศิษย์ลูกหาเยี่ยมเยียน โดยสั่งเขาให้บอกคนเหล่านั้นว่าท่านจะเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลาเจ็ดคืนเจวันติดต่อกันโดยไม่ฉันและไม่จำวัดตัวเขาเท่านั้นที่รู้ว่าท่านตุนอาหารการกินไว้เต็มตู้เย็นแล้วสั่งให้เขาทำขึ้นมาถวายกินกินนอนๆอนอยู่ในกุฏิครบตามเวลาที่กำหนดแล้วก็ให้เขาประกาศแก่ลูกศิษย์ลูกหาว่าท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้ว ใครอยากได้บุญก็ให้รีบเอาอาหารตลอดจนข้าของเงินทองมาถวายเพราะการถวายของกับพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินั้นมีอนิสงส์แรงกล้าบรรดาผู้งกบุญแต่ไร้ปัญญาทั้งหลายก็พากันมาถวายของและกล่าวชื่นชมว่าผิวพรรณท่านเจ้าคุณผ่องใสเพราะอำนาจสมาธิมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่า ท่านผ่องใสเพราะกินกินนอนๆอนอยู่ในกุฏิถึงเจวันเจ็ดคืนไม่รู้ว่าท่านจะหลอกลวงชาวบ้านไปทำไมช่างไม่กลัวบาบกลัวกรรมเสบ้างเลยส่งท่านเจ้าคุณและพระลูกวัดกลับกรุงเทพแล้วคุณนายโสพิทจึงกลับมาคุยกับท่านพระครูเพื่อรายงานผลการปฏิบัติธรรมให้ท่านทราบคุณนายเคยไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงหลายครั้ง และนำมาปฏิบัติต่อที่บ้านทุกวันมีปัญหาอะไรก็ไปเรียนถามท่านพระครูเพราะตอนนั้นสามีของคุณนายเป็นในอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีการไปมาจึงไม่ลำบากต่อเมื่อในอำเภอเสียชีวิตคุณนายจึงย้ายกลับมาอยู่ภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็เลยไม่ได้ไปหาท่านพระครูอีกหลวงพ่อคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเกิดเรื่องอัศจริง์ค่ะ คุณนายพูดขึ้นเมื่อกลับมานั่งเรียบร้อยแล้วอาศัจจันยังไงหรือคุณนายท่านถามก็ดีฉันนั่งกรรมฐานอยู่ในห้องพระดีๆเกิดตัวลอยออกไปนอกหน้าต่างกิ่งทับทิมเกือบแทงตาเนี่ยค่ะพวกคนใช้ก็เห็นเลยพากันคิดว่าดีฉันได้คุณวิเศษสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แหมลอยออกไปตกดังตุกยังหาว่าเหาะได้ คุณนายเล่ายัางนึกขำตัวเองไม่หายก่อนจะลอยคุณนายรู้สึกอย่างไรรู้สึกมันตัวเบาค่ะดิฉันก็กำหนดเบาหนอพอกำหนดอย่างนั้นตัวมันก็ลอยขึ้นไม่ทราบลอยได้ยังไงน้ำหนักร่วม8ปดสเธอพูดอย่างกังขาแล้วคุณนายกำหนดว่ายังไงตอนตัวลอยนะ่ะ ดิฉันกำหนดลอยหนอลอยหนอค่ะแล้วกันกำหนดอย่างนั้นจะไปได้เรื่องอะไรบอกให้ลอยมันก็ลอยนะสิดีนะที่ไม่ลอยไปถึงวัดป่ามะม่วงโน่นท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มคุณนายจึงอ่ออวยว่าแหมถ้าไปถึงโน้นก็ดีสิคะหลวงพ่อดิฉันจะได้เลิกจ้างคนขับรถ อยากไปไหนมาไหนก็ลอยไปแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะหลวงพ่อดิฉันได้ยานอะไรคนถามอยากรู้ไม่ใช่ยานหรอกคุณนายเป็นอำนาจของปิติน่ะปิติที่ทำให้ตัวเบาลอยขึ้นได้นั้นเขาเรียกว่าอุเพงคาปิติการเกิดปิติขึ้นเพราะองค์ธรรม ขณะที่ปฏิบัติไม่สมดุลกันกล่าวคือสติวิริยะและสมาธิมันไม่เสมอกันสมาธิมันเกินสติและวิริยะจึงทำให้ออกนอกลู่นอกทางฉะนั้นคุณนายต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นอีกให้มันเสมอกับวิริยะ และสมาธิการปฏิบัติจึงจะก้าวหน้าแต่ดิฉันก็มีสตินะคะหลวงพ่อเพราะขณะที่ตัวลอยดิฉันก็รู้คุณนายพูดอย่างแคลงใจอาจตา ม, มาก็ไม่ได้ว่าคุณนายไม่มีสติเพียงแต่บอกว่ากําลังของมันด้อยกว่าสมาธิกับวิริยะแล้วเวลากําหนด ขณะเมื่อตัวลอยคุณนายต้องกําหนดว่ารู้หนอรู้หนอคือเอาสติไปรู้ว่าตัวกําลังลอยถ้ากําหนดอย่างนี้แล้วมันยังลอยคุณนายต้องกําหนดว่าหยุดหนอหยุดหนอเข้าใจหรื อ, อยังอย่าไปกําหนดลอยหนอเกิดลอยไปตกน้กําตกท่า เดี๋ยวจะมาหาว่าอตาตมาสอนไม่ดีแม้ดีฉันนึกว่าตัวเองได้ยานสูงถึงกับเหาะเหินเดินอากาศได้ซะอีกถ้าเป็นเช่นนั้นดีฉันจะได้ขายรถเลิกใช้รถไปเลยคุณนายโสพิษพูดติดตลกบรรดาญาติมิตรที่นั่งฟังการสนทนาระหว่างคุณนายวัยหสิกับพระภิกษุวัยห้าิอยู่นั้นไม่มีสักคน ไม่มีสักคนที่เข้าใจด้วยไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิต